พันโสดาปฏิมักอันนี้เนี่ยไม่มีทุลีคือกิเลสไม่มีความเศร้ามองด้วยอำนาจกิเลสเกิดขึ้นแล้วแก่พระราชโอรสพระนามว่าคันดะและบุตรปุโรหิต ช, ชื่อว่าติดสะแปลว่าทั้งท่านคันดะและติดสะบรรลุโสดาปฏิมักเกิดขึ้นโสดาปฏิมักของท่านเกิดขึ้นพอท่านฟังธรรมจบเนี่ยนะท่านเจริญวิสุทธิทั้งหลายได้ท่านรวบรวมโพธิปัจจะธรรมได้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 มันในโลกนี้เขาก็รู้อายุความเสื่อมอะไรของอะไรทั่วทั่วไปทั้งนั้นแหละแต่ว่าบรรลุจริงหรือบอกไม่ไเขาว่ารู้เกิดดับนี่อะไรยังกินเจสมุทยธรรมังเนี่ยนะนะยังกินเจสมุทะยะธรรมังสิ่งใดสิ่งหนึ่งตัวนั้ น, นเป็นชื่อของอะไรสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นชื่อของอะไรเป็นชื่อของรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณนนะนะ เออตรงนี้เขียนงี้ป่ะสับพันทางเขียนงี้จไม่ได้เอ้าเกิดสิ่งทั้งปวงนะ่ะสิ่งทั้งมวล น, นั้นเดี๋ยวเอาไว้ก่อนนะเดี๋ยวตอนบ่ายอันนี้อันนี้แต่ยังไงถูกละข้างหน้าถูกมาดูนะว่าพอฟังทมจบเนี่ยนะถามว่าเออมาจากสุตัวนี้คือคืออะไร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 ขณะที่ฟังธรรมเบื้องต้นใจไม่มีนิวรณ์ฟังธรรมเบื้องต้นอนุปุพิกถาทานกถาศีลกถาสักขะคถ า, าแล้วก็อะไรความเศร้าหมองของกามแล้วก็อ น, นิสงค์ของเนกขมมะพอฟังจิตก็ไม่มีนิวรณ์เมื่อจิตไม่มีนิวนรณ์พระองค์ก็ประกาศทุกสมุทัยนิโรธมักวิสุธทธิทั้งหข้อก็เจริญขึ้นได้โดยลำดับโซดาปฏิมักที่ประกอบด้วยอะไรบ้างองแปดใช่ไหม สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะเนี่ยนะสัมมาทิฏฐิมีอะไรบ้างเออขาไปในในมรรคแดเนี่ยนะสัมมาทิฏฐิบวกสัมมาสังกัปปะเป็นอะไรเท่ากับเป็นปัญญาขันเนะสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะเนี่ยนะเป็น ศีลขันแล้วก็สัมมาไวายามะเนี่ยนะนะสติแล้วก็สมาธิเนี่ยนะนะเป็นสมาธิขั น, ท, นท่านสามารถทำให้อธิศิลเนี่ยบริบูรณ์นะอธิศิลบริบูรณ์อธิจิตพอประมาณอาธิปัญญาพอประมา ณ, ามาณท่านคุณธรรมเหล่านี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะ อัฐะของอริยมรรคมีอยู่สี่อัฐะหนึ่งทัศนัตโถมีความหมายว่าเห็นสองเหตัดโถเหตส อ, อะไรนะทัศนัตโถเหตัดโถอธิปตยโถอธิปไตยนั่นเอง แล้วก็นี่คําหนึ่งคืออะไรนะ เ, นะเหตุทัศนะอธิบดีนิยานิกะนี่นะันนตัวตัวอริยมรรคโสดาปฏิมรคเป็นต้นน่ที่เกิดขึ้นหลังจากฟังธรรมเนี่ยนะท่านเห็นเลยทัศนะเนี่ยยกตัวอย่างธรรมาจาักสูยกตัวอย่างว่าเห็นทัศนะโถเนี่ยเห็นอะไรเห็นว่า ทุกขาริยศาสตรคืออะไรบ้างทุกขอริยศาสตร์ก็คือขันห้าอายตนะสิบสองธาตุสิก็คือถ้าพูดง่ายๆก็คือพวกเราทั้งหลายนี่แหละกองทุกที่เห็นๆกันอยู่นี่แหละเกิดขึ้นเพราะมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสมุทัยหรือสมุทัยมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาไอ้สมุทัยตัวนี้ไม่ใช่ศักด์แต่ว่าเกิดเลยเลอยไม่ใช่ ทุกเหล่าเนี่ยทุกคือขันธ์อายตนะธาตุเกิดเพราะอะไรเกิดบอกว่าทั่วไปก็อวิชชาเกิดอวิชชาเกิดขันธ์ธาตุอายตนะจึงเกิดตันหาเกิดขันธ์ธาตุอายตนะจึงเกิดทีนี้อวิชชากับตันหามันทําให้เกิดได้ยังไงอวิชชากับตันหามันเป็นตัวที่ทําให้เกิดกรรมนะเป็นตัวที่ทําให้ทํากรรมกรรมนี่แหละเป็นตัวสร้างแต่เจ้าของโครงการคืออวิชชากับ ตันหาเนี่ยนะเขาเรียกว่าผู้ผู้ควบคุมโครงการทั้งหมด น, นะพันธกรรมก็คือเจ้าพนักงานโอ้ขยันขันแข็งทํางานตามนายสั่งทุกประการอวิชาคือเจ้านายเนี่ยนะตันหาก็คือเจ้านายสั่งโอ้คนงานขยันขันแข็งมากก็เลยสร้างกองทุกคือขันอายตนะธาตุขึ้นอนวิชาตันหาทีนี้ถ้าในในโลกนี้เนี่ยนะในชีวิตปัจจุบันเนี่ยนะถ้ารูปรูปปราศจากอาหารได้ไหมไม่ได้รูปก็ไม่สามารถปราศจาก อาหารได้เวทนาสัญญาสังขารปราศจากผัสสะได้ไหมไม่ได้นามาวิญญาณปราศจากนามรูปได้ไหมอันนี้ก็คือตัวใกล้ๆกันที่อยู่ใกล้ๆกันเราะนั้นปัญญาที่เกิดขึ้นเห็นเลยว่าทุกขสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะยังกินจิสิ่งใดสิ่งหนึ่งคือความทุกข์ทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยมันมีเหตุเป็นแดนเกิดนะ มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเขาเรียกว่าสมุทยธรรมังเกิดขึ้นเป็นธรรมด า, านะสัพพันธ์ทางไอ้ทั้งหมดเนี่ยนะคือขันอยตนะธาตุทั้งปวงนี้เนี่ยนะสิ่งทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยนิโรธธาตุตรัสรู้นิ พ, พานนิโรธคือนิพานนะนิโรธนิพคือนิพานนิโรธคือ อสังขตะอสังขตะตัวนี้เป็นตัวที่ดับสมุทัยถ้าชื่อของนิพพานทมที่สงบสังขารเป็นที่เพิกถอนแห่งอะไรเป็นที่สางแห่งความเมานิพพานตัวนี้เนี่ยถ้าธรรมจักสุเห็นนิพพานจะดับสมุทัยได้ถ้าดับสมุทัยได้ทุกก็เป็นอันว่าดับไปเนี่ยนะค เ, เรียกว่ารู้เหตุกระ ยังกินจิตสมุทัยธรรมมังสัพพันธังนิโรธธรรมมังปัญญาที่เกิดขึ้นธรรมจักสุตัวนี้ไม่มีมุทุลีธรรมจักสุอันนี้ไม่มีมนทินบริสุทธ์เพราะประกอบไปด้วยธรรมนิยามแปดประการคืออริยมรรคที่ประชุมกันแปดประการเห็นเลยว่าสิ่งทั้งปวงเนี่ยนะที่นั่งากันอยู่เนี่ยเกิดขึ้นเป็นธรรมดานะมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาแล้วก็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 เขาบรรลุอริยสัจเขาบรรลุเป็นพระโสดาบันพระสกทาคามีและพระอนาคามีนั้นเขาเขาทำได้อย่างที่พระองค์สอนจริงๆเลยเมื่อพระองค์ประกาศอริยสัจอริยสัจนี่ประกอบไปด้วยอะไรบ้างทกสมุทยัยนิโรธแล้วก็มรรคอริยมรรคเนี่ยนะท่านเหล่านั้นเนี่ยพอฟังธรรมจบท่านได้อริยมรรคทันที ท่านเจริญอริยมรรคได้ท่านคือท่านท่านได้รำมาจาัจจสุพระพุทธเจ้าประกาศอริยาศาสตร์สี่ที่พระองค์ยกขึ้นด้วยพระองค์เองเขาฟังจบปั๊บเขาเกิดโสดาปฏิมักโสดาปฏิมักของเขาเนี่ยเห็นเลยเห็นอริยาศาสตร์ตามที่พระองค์สอนทุกขยังกินจิตสมุทัยสมุทยะธรรมมังเห็นนิโรธเลยว่านิโรธาธรรมมังถ้าแทงตลอดนิโรธ สัพพาตัวนี้สัพพันสัพพันธ์ทางตัวนี้นี่มีความหมายว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพรา ะ, ะถ้าเห็นนีโรอดเพระาะไอ้พวกนี้ดับแน่ทีนี้การดับทุกเหล่านั้นเนี่ยนะอนุภาพของโสโดาปฏิมรักเนี่ยดับทุกเหล่าไห น, นสมมติถ้าอนุภาพของโสโดาปฏิมรักเนี่ยดับทุกเหล่าไห น, นทุกที่ดับก็คือทุกในอบายสี่ทุกที่ที่ถูกดับไปนัคืออบายสี่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 อันนี้คือท่านพ้นจากทุกทุกขสัต์เหล่านี้แล้วแล้วท่านพ้นจากสมุทัยสัตว์อะไรบ้างท่านพ้นจากสมุทัยคือสักกายทิฐิความเห็นที่ว่าขันธ์หาเป็นอัตตาเป็นสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาท่านเลิกเข้าใจผิดพลาดโดยประการทั้งปวงต่อไปท่านละสีละพาตปา rama ท่านเห็นว่ามร์มีองค์แปดนำออกจากทุกข์แล้วท่านจะไปถือข้อปฏิบัติอันไหนอีกอ น, นะท่านจะถือไหมท่านเพราะท่านได้อริยมร์อันประกอบไปด้วยองค์แปดที่นําออกจากทุกข์แล้ววะท่านจะไปเอาอะไรมาปฏิบัติอีกท่านเลิกลยละได้เด็ดขาดแล้วบอกไม่ใช่อันอื่นไม่ใช่แล้วบอกถ้าได้ทานข้าวแล้วเลิกทานแล้วโกรธแบบนั้นเถอะมันก็เลิกทานหินปูนทรายแล้วแบบนั้นอ่ะทานข้าวดีกว่าคล้ายแบบเนี้แล้วก็ละวิจิกิจฉา ท่านสงสัยผู้ที่แทงตลอดอริยสัตว์เหล่านี้โดยลําพังไหมผู้ที่ทํากิจแทงตลอดสร้างบารมีมาเพื่อเห็นอริยสัตว์ท่านสงสัยไหมท่านก็ไม่สงสัยในพระพุทธเจ้าท่านสงสัยในธรรมะคืออริยมรรคที่เป็นนิยานีิกระทํานําออกจากทุกท่านสงสัยไหมว่าพระธรรมนาออกจากทุกไม่ได้จริงไม่สงสัยแล้วท่านสงสัยในพระสงฆ์สาวกของพระองค์ว่า ผู้ที่เห็นตามพระพุทธเจ้ามีอยู่ท่านสงสัยไหมก็น้อยที่สุดท่านก็เป็นพยานท่านก็เลยไม่สงสัยก็ละสกายยทิฏฐิวิจิจกิจฉาศีลรพตะปรามาตและกิเลสกรรมที่นําไปสู่อาบายกรรมที่นําไปสู่อาบายกิเลสราคะโทสะโมหะเป็นต้นเหล่าใดบาปกรรมทุกชนิดอันไหนที่จะนําไปสู่อาบายท่านละได้โดยเด็ดขาดถามว่าตัวที่มาละนี่คืออะไรคือ นิพพานที่เป็นอารัมมณปัจจัยของอริยมรรคอานุภาพของอริยมรรคอานุภาพของพระนิพพานหรืออานุภาพของพระนิพพานนี่แหละทาให้ดับอบายสีดับภพบที่แปดับชาติเลว 3, สามดับสกายยะทิฏฐิดับศีลพัตะปรามาดับวิจิกิจชาดับกิเลส ท, ที่มันสามารถนําไปสู่อบายทั้งหมดได้ด้วยอานุภาพของเนี่ยธรรมะจกักษุกับนิพพานตัวนี้แหละเรียกว่าธรรมังสารนังคัจฉามิ ที่เราบอกว่าทำรรมังสารนังข่าฉามิขรัพระเจ้าขอถึงพระธรรมธรรมะคือนิโรดกับมัคนี่แหละทรงไว้ซึ่งผู้ที่บรรลุไม่ให้ตกไปสู่โลกที่ชั่วคือไม่ให้ตกไปสู่อบายไม่ให้ไปเกิดในภพที่แปรไม่ให้เกิดในชาติตระกูลที่เลวร้ายไม่ให้กิเลสคือสากาญาทิฐิวิจิกิจชาสีละพัตต์ปรามาสกรรมที่นําไปสู่อบายเป็นต้นหรือหันหน้าเงินหน้าดูหน้ า, าศาสดาต่างๆบอกไม่ใช่ฐานะแลว้ว เลิกแล้วเนี่ยนะก็เป็นผู้ที่สัมมัตตนิยามอริยมตร์ตัวนี้เครียกว่านิยโตนิยโตเนี่ยนะะสัมโพที่ปลายโนสัมโพที่ปลายโนเนี่ยนะอนิยโตเนี่ยแปลว่าท่านแน่นอนและเพราะท่านยังลงสู่สัมมัตตนิยามเขืออริยมร์สัมโพที่ปลายโนปายณะแปลว่ า, านําหน้าเป็นที่เบื้องหน้า โพธสัมพธทิแปลว่าการตรัสรู้เป็นผู้มีการตรัสรู้เป็นเบื้องหน้าหมายว่าจะต้องมรรูุสกาทาคามีอนาคามีและอรหันแน่นอนเมื่อไรอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าแน่นอนรับรองได้เนี่ยนะพระผู้เจ้าจรับประกันในงานเะ